ทีนี้ถามว่าวิปั ส, สนาอย่างเดียวบรรลุได้ไหมพอไหมเพื่อที่จะบรรลุเทียงพอไหมอย่างนี้ดีกว่าไม่พอก็พื้นฐานคนที่จะเจริญอย่างนี้นะศีลต้องดีเลยใช่ไหมศีล น, นี่ถือว่าดีเยี่ยมเพราะศีล น, นี่อนุปั ส, สนานะให้รู้ว่าเป็นปฏิปทายานทัศนวิสุทธิระดับอนุปั ส, สนาเนี่ยเรียกว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเพราะฉะนั้นตัวที่มาคำ้ำ ค้ำพวกนี้ทั้งอะไรสีและวิสุทธิจิตตวิสุทธิเนี่ยนะมาคำ้ำวิสุทธิล่างๆก็ต้องแม่นยำมากแล้วก็เจริญอย่างนี้ทุกอย่างที่เจริญเนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อแทงตลอดอริยสัจ ท, ที่เรียกว่าโอนไปสู่อริยสัจเงื้อมไปสู่อริยสัจเนี่ยนะเนาไปเพื่อแทงตลอดทั้นแต่แต่เบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงกันทั้งเจริญสมาทิฏฐิในเบื้องแรกเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุง ท่านพระงจึเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีอนนะสัมมาทิฏฐิรู้อะไรอริยสัจสี่ใช่ไหมในเบื้องแรกจึงมีการแยกวัตถุแยกอารมณ์ก่อนอนนเะพราะสัมมาทิฏฐิมักแปดในสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นการแสดงแบบทั้งโลกิยะกับโลกุตระสัมมาทิฏฐิในอนนะสัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยสัจสี่สัมมาสังกัละล่ะกุศล ส, สังกตะสามประการสัมมาวาจา เว้นมิจฉาวาจาสี่ประการสำมากระมันตะเวนมิจฉากมันตะสามมิจสัมมาชีวะเว้นอาชีพที่วิบัติเจดประการสำมาวายามะคือสัมมาประธานสี่สำมาสติสติประฐานสี่สัมาสมาธิฌานสี่เบื้องต้นนี่จึงมีการแยกเจริญแต่มีเป้าหมายเหมือนกัน วันในพุทธคสจึงกล่าวว่าเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเป็นต้นเนี่ยนะทุกทุกองเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละหรือชื่ออย่างนี้เราจะเรียกเป็นพุทธชงถ้าเรียกโพุทธชงนะตัวที่วิจัยตัวอนุปัสนาทั้งหลายเรียกว่าธรรมวิจยะสัมพยยุทธชงเจริญธรรมวิจยะสัมพยยุทธชงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ ทีนี้ธรรมวิจัยเหล่านี้จะเป็นไปได้ต้องอาศัยอะไรมาคําไว้วิริยะสำโพชงนะเจริญวิริยะสัมโพชงอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะเนาะไปเพื่อการสละเพียรเจริญอนุปัสนามากๆถ้าเกิดมันแห้งแล้งขึ้นมาท่าไงก็เจริญปีติสัมโพชงแต่เป็นไม่ใช่เจริญเพื่อจะเสดปีติแบบเอ่อเหมือนอย่างว่าคนที่เดินทางไกลเนี่ยนะจะไปเมืองเมืองหนึ่งที่สงบ ระหว่างเดินทางเนี่ยมันแห้งแล้งตลอดเห็นแต่ความแห้งแล้งเห็นแต่ความกันดอนร้อนก็นร้อนอบอ้าวก็อบอ้าวไปเห็นร่มเงาของต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้ๆบ่อน้ําไปถึงก็ลงอาบน้ําดื่มน้ําเสร็จมานอนพักที่บ่อ น, นะอบพักที่ใต้ร่มไม้เพื่อจะเดินทางต่อไปเนี่ยเรียกขณะที่กําลังดื่มน้ําเ อ, อิบอิ่มอาบน้ําอย่างสบายนอนพักนอนพักอย่างสงบเรียกว่าเขาอยู่ในระหว่างการเดินทางหรือไม่ เรียกว่าเดินทางหรือไม่ตอนที่อาบน้ำกับตอนที่นอนพักผ่อนเรียกหรือไม่เรียกก็เรียกก็เรียกว่านักเดินทางถ้าไม่เดินลไปอินเดียงวงนี้จะให้ไปก่อนเลยพร <c oughs> านก็ก็ยังเรียกว่าเป็นอยู่ในช่วงระหว่างเดินทางานะพ้นระหว่างที่เจริญวิปัสสนามากๆท่านถือว่าเปรียบเหมือนการเหน็บเหนื่อยใช่ไหมก็ต้องมาเจริญปีติปีติเหมือนอาบน้ำนะสมาธิเหมือนอะไร นอนพักผ่อนซะก่อนเนี่ยนะนอนพักผ่อนใต้ร่มไม้มีติเดิมอาบให้มันสบายนะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วจะได้เดินทางต่อเพื่อข้ามไอทางแห้งแรงพอเดินไปเหน็ดเหนื่อยอาบน้ําพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้อย่างเนี้ยไปต่อเรื่อยๆโดยไม่คิดว่าจะเฝ้าอยู่เฝ้าโคนไม้เพื่อจะอยู่เฝ้าบอ่อน้ําอะไรหั้นการเจริญธรร ม, มะจะเป็นลักษณะนั้นพิจารณาสภาพจิตตามสมัยอนะ ตอนนี้พักผ่อนมีแรงแล้วนะเอจุดมุ่งหมายตายทางเราเพื่อเดินทางไม่ใช่เพื่อจะนอนเพราะฉะนั้นก็เดินทางแล้วก็สลับควบคู่กันไปในลักษณะนี้หรืออีกในหนึ่งพระองค์ก็อุปมาเหมือนว่าการเจริญพวกสมาธิสัมโพชงก็เหมือนกับการเข้าค่ายพักเนี่ย น, นะการเจริญธรรมวิทยะสัมโพชงก็เหมือนกับการรบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสงครามยืดเยื้อเนี่ยค่ายพักจำเป็นมากเลยใช่ไหม <S <S แต่ถ้าไม่ยืดเยื้อะนะไม่น่าเป็นห่วงนะถ้า ถ้านั่งฟังเฉพาะพระโอษฐและบรรลุเลยนี่ไม่เคมีปัญหาหรอกแต่มีปัญหาว่าปีหนึ่งก็แล้วปีสองก็เงียบปีสามผ่านไปนะนะปีสี่ย่างเข้ามาปีห้าก็เริ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็โอ้โนี่ยาวเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ยแหละจะต้องมีเครื่องอยู่เยอะมากนะ่ไหมการเจริญจิตสิกขาหรือว่าการเจริญสัมมาสมาธินะครับเป็นการเจริญต่างหากไม่ใช่เป็นการเจริญในขณะที่เป็น การเจริญวิปัสนาหรือว่าการทําปริญญาขณะนั้นนะครับการเจริญตรงนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าอยู่ที่นิมิตเขาเรียกว่าสมัทธนิมิตวิปัสนานิมิตวิปัสนานิมิตอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอุเบขานิมิตอ น, นะเมื่อใส่ใจขันห้าในลักษณะนี้เนะ่ยวิปัสนาเกิดที่ใดอนุปัสนาที่ใดที่นั่นก็ต้องมีเจตสิกอย่างน้อยกี่ดวง เจตสิกอย่างน้อยกี่ดวงอัญญสมนาเจตสิกสิบสามเนี่ยนะโสพนสาธารณะเจตสิกสิบเก้าปัญญาเจตสิกอีกหนึ่งเนี่ยนะเท่าไหร่สามสิบสามถ้าเจริญด้วยอุเบขาลดปีติเนี่ยนะเอาปีติออกเท่านั้นใช่ไหมเหลือสาสิบสองก็ส3 32ิบามสามสิบสองสามสิบสามสาสบสองก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ว่ายก วิปัสนาเป็นหัวหอกใหญ่ขณะที่เจริญสมถนิมิตนะก็สามสิบสามสามสิบสองเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปกับพุทธานุสติเป็นต้นเป็นไปกับเมตตาเป็นต้นก็ไม่พ้นถ้าการุณาบวกอัปปมัญญาเข้ามาอีกถ้ามุทิตาก็บวกอัปปามัญญาเข้ามาอีกทีนี้สมถนิมิตแม้แต่สีนก็เรียกว่าสมถนิมิต และลึกถึงศีลของตนของตนของต น, งต น, งตนใช่ไหมตามเจริญศีลานุสติปรารบถึงศีลานุสติตั้งมั่นสมาทานในศีลในศีลพั๊บมีวีรตีเพิ่มมาทีละอย่างทีละอย่างเข้ามาเรื่อยก็จะมีวีรตีเกิดขึ้นทันนิมิมตของศีลก็อย่างหนึ่งนิมิตของสมถะก็อย่างหนึ่งนิมิตของวิปัสสนาก็อย่างหนึ่งแต่มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ชัดเจนว่าเพื่อแทงตลอดอริยสัจทันพระองค์จึงตรัสว่าศีล ่สมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียนิสง์มากปัญญาอันมีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียนิสง์มากจิตอันตัญญ า, อ, าอบรมแล้วยอ่อมห ล, ลุดพ้นจากอาสวะทั้งที่เป็นกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเนี่ยนะมันก็สามารถจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อันที่ท่านแสดงว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอันนั้นหมายถึงสมาธิก่อนออหรือว่าในขณะเดียวกัน สมาธิที่เป็นบาทเนี่ยนะเช่นก็อย่างยกตัวอย่างที่เอาผู้การกันแล้วกันถ้านับลมหายใจเข้าสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะนะแล้วมาระลึกถึงพระสูตรใส่ใจคําสอนมาทําปริญญาเลื่อมใหม้มาทำปริญญาไปเลยเนี่ยนะทั้งๆ ท, งที่ทุกครั้งที่ทําปริญยาก็มีเอกัคคตาเกิดร่วมด้วยถามว่าต่างกันไหมบอกต่างกันมากคนโทสัจจริตนะถ้าเจริญเมตตาสักก่อนสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ ทำปริญญาไม่ยากพวกราคะจริตถ้าเจริญอสุภะสักหน่อยหรือสักมากก็ตามเนี่ยเจริญไม่ยากแต่ทีนี้พวกที่เจริญวิปัสสนาพอเจริญไประดับหนึ่งมันฟุ้งซ่านเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยนะใกล้กับความฟุ้งซ่านอยู่เหมือนกันข้ออะไรเพราะว่าเมื่อใส่ใจมนานัิการไปมากๆนะเปรียบเหมือนหัวสว่านเนี่ยหรือหัวอะไรสักอย่างนะพอทําไปมากๆขวานเนี่ยหรือก็ขวานขวา น, ขวานก็บิน จำได้ในโมคะลานะสังยุตเนี่ยนะพระโมคะลานะเจริญนีปั ส, สนาพอเจริญไปเจริญไปก็ดีใจมากนะวูวีปั ส, สนาเรานี่คมกล้าแล้วเกินเปรียบเหมือนว่าใครผู้ที่มีขวานใช่มฟันต้นไม้ฉับเข้าไปนะแล้วมันลูบคมขวานวูวูขวานของเราคมมากพระพุทธเจ้ามาเตือนบอกนั่นไม่ใช่นะแต่ทีนี้พระโมคะลานะได้สมาบัตแตดอยู่แล้วอันนั้นไอ้ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาสําหรับท่านแต่บุคคลอื่นๆพอมันมันขวานตะกูลขวานอะไรนะ เหล็กมันอ่อนไฟหรือแข็งไฟไม่ทราบนะบางพวกฟันแล้วก็บินบางพวกกาดแล้วก็บิดเนี่ยนะบินกับบิดนี่คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องทั้งรับทั้งถูทั้งอะไรจนกว่าจะตัดต้นไม้ขาดแต่สรุปว่ารับขวานก่อนแล้วค่อยฟันต้นไม้ทีนี้ไอ้คำว่ารับขวานก่อนเนี่ยนะถ้าต้นไม้ต้นตโตนี่เรียกว่ารับเสร็จก็ฟันฟันเสร็จขวานเริ่มเสียหายแล้วก็มารับต่อรับใหม่แล้วก็ฟันอีกก็อยู่ลักษณะนี้จนกว่าจะตัดต้นไม้ขาด เพราะฉะนั้นการฟันกับการรับขวานถือเป็นของควบคู่กันไปเงี้ยนะครับนักวาการถามพระอาจารย์ค่ะย้อนไปที่นิพพานุปัสสนาถ้าสมมุติว่าเป็นพระเสขาบุคคลหรือว่าปุถุชนนิพพานนี้ก็ต้องเบื่อหน่ายเพราะว่า มีกิเลสอยู่ก็ต้องมีอภิชาโทมานะจิวทีนี้ถ้าพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วตอนที่จะเข้านิโรธสมาบัตินี้ท่านก็ต้องเจริญอนุปัสสนานี่ก็ต้องมีนิพพิทาอนุปัสสนาเหมือนกันอยากทราบว่าต้องมี่ะ น, นิพพิทาของพระอรหันต์กับนินพพิทาของผู้มีกิเลสอยู่นี่ต่างกันยังไงคะต่างกันว่านิพพิทาของผู้มีกิเลสยังเป็นที่ตั้งแห่งมานะนิพพิทาของพระอรหันต์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะ นะคู่มีกิเลสนะพวกพวกปุตุชนเช่นปุตตชนเนี่ยได้วิปัสสนาก็บอกว่าโอหเรานี่มีวิปัสสนาพวกนั้นนะไม่รู้เรื่องเลยสู้เราไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้วิปัสสนาของปุตตชนยังเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาและมานะอย่างที่พระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นต้นเนี่ยวิปัสสนาของท่านพิจารณาสังขารไหนนะโหมันทะลุโ ป, ปร่งไปหมดเลยไม่วิปัสสนาของเราคมจริงๆวิปัสสนาของเราเยี่ยมพระพุทธเจ้าก็มาเตือน ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะกอเจริญไปเถอะไม่ใช่ว่าจะต้องมาเพลิดเพลินในวิปัสสนาอะไร น, น, นะพระโมคคัลลานะเนี่ยตอนที่เป็นพระเสขานะีก่อนจะเป็นพระาทหารท่านยังเพลิดเพลินว่าโอ้ปัญญาเรานี่ดีจริงๆเนี่ย น, นะก็รู้ว่าพระเสขาก็ยังเอาวิปัสสนายังเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินอยู่เป็นปุตชชนเป็นต้นก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งมานะอยู่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิอยู่แต่ว่าพท้ารหารทั้งหลายไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสโดยประการทั้งปวง ก็ในบรรดาสมาธิที่เป็นบาตของวิปัสสนาชั้นยอดที่สุดเนี่ยนะคือสมาธิระดับฌานที่สี่ไปแล้วเขาเรียกว่าอเนนชาธรรมเนี่ยนะสมาธิระดับอเนนชาธรรมเนี่ยเป็นสมาธิที่มั่นคงไม่หวนไหวอันนี้พูดถึงสําหรับบุคคลชั้นพิเศษว่าแม้กระทั่งพวกอุปโตภาควิมุตต์ก็เหมือนกันเนี่ยพวกนี้พิเศษเนี่ยจะต้องระดับฌานสี่เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระปัจเจกับ พ, พุทธเจ้าหลายท่านก็ได้ฌานสี่เป็นบาต ทีนี้ของเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็แสดงแบบสุขาวิปัสสกเนี่ยนะอย่างที่ดูในสุสิมะใช่ไหมสุสีมะสูตรเนี่ยพวกกลุ่มสุขาวิปัสสกเนี่ยพวกนี้จะไม่ได้มีฌานเป็นบาตรสุขาวิปัสสกไม่มีฌานเป็นบาตรพวกปัญญาวิมุตต์เนี่ยนะบางพวกก็มีปฐมฌานเป็นบาตรบางพวกก็มีทุติยะฌานตาติยะฌานเจตุทัชฌานเป็นบาปก็แล้วแต่ว่าผู้ใดแต่ถ้าเป็น สุขาววิปัสสภไม่ได้มีฌานเป็นบาทอะไรถ้าอย่างนั้นก่อนตั้งมั่นที่จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาอย่างที่ตั้งแสดงอนันตริกาสมาธิสมาธิขณะนั้นเกื้อกูลแต่า ก, การแทงตลอดนิพพานอนันตริการสมาธิหมายถึงสมาธิในขณะมรรคแต่ว่ามรรคอนนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องระดับปฐมฌามเนเนะทียบเท่าปฐมฌาน ม, มีความมั่นคงเป็นอัปปนาเนี่ยนะระดับปฐมฌานเลย แต่ว่าปฐมฌานานั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์สุขาวิปัสสกเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวมรรคของท่านไม่ไม่ไม่ใช่ระดับฌานระดับฌานแต่เป็นระดับฌานแต่เป็นฌานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนเบื้องเบื้องหน้าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะท่านอาจจะไม่ได้ไปอบรมสมถะอะไรมาก่อนเลยแต่นี้เราพูดถึงว่าคนที่ต้องอยู่ในาศาสนานานๆเนี่ยนะไม่บรรลุสักทีหนึ่งสามสิบปีผ่านไปนี่อยู่ยังไงอ่ะ ก็ต้องเจริญสมาธิต้องเจริญสมถะเจริญอนุสติเป็นต้นเป็นนะสมมติเราเรียนธรรมะนะวันนี้ก็ไม่บรรลุพรุ่งนี้ก็ไม่บรรลุมีนิหาอะไรทําะไรนี้เนี่ยนะปล่อยจิตไปว่างๆก็ไม่ได้มันก็คิดไปเรื่อยอี ก, ก น, นะเนระฉะนั้นจะต้องหากรรมฐานมาเป็นปริหาริยกกะกรรมฐานก็ในอุปมาหลายแห่งที่บอกว่าการเจริญวิปัสสนาเหมือนการฟันต้นไม้การเจริญสมาธิเหมือนการรับมีดเนี่ยนะหรือรับขวานเนี่ยถ้าต้นไม้ต้ น, ตนตโตโตเนี่ยนะ ของมาสมัยเด็กๆหรือสมัยเด็กๆก็เคยทําอย่างนั้นแล้วก็คนอื่นเขาก็ทําให้เห็นอย่างนั้นคือการรับขวานรับไปแล้วก็ฟันพอฟันเสร็จก็มารับใหม่รับเสร็จก็ฟันต่อฟันเสร็จก็มารับใหม่ก็อยู่อย่างนี้จนกว่าจะทํากิจนั้นนั้นสำเร็จนะเช่นกว่าจะตัดต้นไม้สําเร็จหรือกว่าจะถากต้นไม้สําเร็จก็อยู่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพรา ะ, ะสมถาวิปัสสนานั้นจึงเจริญควบคู่กันถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือเจริญสลับกันไป เนี่ยนะสลับกันไปถ้าไม่เจริญสลับอย่างนั้นนะชีวิตค่อนข้างแห้งแล้งมากคนที่เจริญสมถะเจริญไม่ได้ถ้าสุดจิตไม่ดีเช่นนะวิธีฝึกดูว่าเราสุดจิตสามดีหรือไม่ถ้าเป็นคนโทสะจริตลองเจริญเมตตาดูถ้าเจริญเมตตานะ่ยถ้าคนโทสะจริตจะเ ล, เลึกได้เลยว่านั่นคำนั้นเราพูดด้วยโทสะ คำนั้นเราพูดด้วยโทสะจะตำหนิตัวเองประจำว่าตัวเองนี่พูดด้วยโทสะมาเรื่อยเลยซึ่งไม่เป็นวจีสุจริตเลยถ้าพวกราคาจริตนะสอบสวนตัวเองเลยพอเจริญกรรมฐานตายปั๊บนะจะไปพูดด้วยอำนาจฉันทราคามาบ่อยมากซึ่งสอบตัวเองได้เลยนะพอเจริญกรรมฐานไปยนะพวกเจริญเมตตาเจริญอสุภาพเป็นต้นเนี่ยสุดเป็นการตรวจเช็คตัวเองว่าสุจริตดีหรือไม่ถ้าสุจริตไม่ดีนะเอะ ตัวใดที่ทําผิดมานะวัตถุนั้นจะมาก่อนลําดับแรกนะงามตัวไหนข้างคานะตัวนั้นจะมาก่อนลําดับแรกเลยถ้ายิ่งไปทำธุจิตกับวัตถุใดนะเดี๋ยวก็ตงเหตุตงเหตุกับเรื่องนั้นแหละมาละมันเรื่องนั้นๆที่เป็นผลของทุจิตนะวิปปติสารจากเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีเลย น, นะนะเหมือนกับคนทําอะไรไม่เสร็จ่นะมันมันก็ใจมันก็ประวิงขี้เทืงอยู่นั่นแหละ ก็ S <S สุจริญ ส, สาก็คือกุศลกรรมบทเส็จนะซึ่งกุศลกรรมบทเสร็จอันนี้ก็ถือว่าเป็นมนุษยธรรมอยู่แล้วถ้ากล่าวถึงว่าคนที่จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญนิพพานาเนี่ยนะระดับสูงเนี่ยเขาต้องรักษาศีลอยู่แล้วที่เขารักษาศีลเพราะเขาเห็นโทษของอาบายสุจริญเขาจึงดีเนี่ยนะเพราะเขาป้องกันอาบายที่เขามาเจริญส ม, มาถะทั้งหลายเขาเพราะเขาเห็นโทษของกามเห็นโทษของภพที่มีกามเห็นโทษของวัตถุกามทั้งหลาย ทีนี้ที่เขามาเจริญวิปัสสนาก็เนื่องจากเห็นโทษของวัตตะจึงต้องมาเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอธิศีนอธิจิตอ ธ, อ ธ, อ ธ, อธิปัญญาก็ต้องเป็นไปโดยลําดับอยู่แล้วการชําระมโนสุดจริตนั้นต้องชําระด้วยสมถะและวิปัสสนาถ้าสมถะวิปัสสนาไม่ดีพอเนี่ยนะชำระมโนสุดจริตไม่ได้เช่นถ้าไม่เจริญเมตตาให้เพียงพอนะในที่สุดก็ในหมันไส้จนได้นะ มันอดมันไส้อีกไม่ได้นะเออมันเป็นอ๋อเก่งมากนะักหรือปล่อยเลยเนี่ยนะอดรำคาญไม่ได้อย่างเง้ยนะถ้าราคะเกิดเออถ้ายังละอภิชาไม่ได้คมด้วยสมถะเป็นต้นไม่ได้ก็ยังงามเหมือนเดิมเนี่ยนะถ้าเจริญวิปัสนาไม่ได้ อ, อะไรจะเกิดอวิชาก็มาจนได้อยู่กันนะเพราะฉะนั้นมโนสุเจริญเนี่ยชำระด้วยเมตตาด้วยอสุภะและด้วยวิปัสนา เพราะว่าอานาพิชาที่เจริญให้บริบูรณ์นั่นคือสายอสุ t ะถ้าเจริญอัพพยาปาทะให้บริบูรณ์นั่นคือสายเมตตาสัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์ก็กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิที่ปัศนาสัมมาทิฏฐิมรักสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิเป็นต้นซึ่งการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะตายวาจาถือว่าจาเป็นมากนะนะฉะนั้นการคบบุคคลผู้ทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะมันอันตรายมากสาหรับการรักษาศีล พันถ้าใครอยากจะขับรถด้วยความระมัดระวังเนะี่ยอย่าไปหาถนนที่เขาขับซิ่งให้มากนะไม่ชนก็หรอกแต่เขาปาดมาเล่นงานเราบ้างเลยนะจะเดือดร้อนแั้ก็การรักษาศีลเนี่ยนะรักษากายวาจาใจเนี่ยนะพระองค์จึงสอนเรื่องมงคลสาสิแปดะนะก็ดูเอากันแล้วกันบรรลุยังไงก็อย่าลืมมงคลต้นๆด้วย น, นะหมดเวลาแล้วขออนุโมทนาด้วย